ตอนที่สิาพระนามเฉลิมพระเกียรติยามรุ่งสางขอบฟ้าเริ่มปรากฏสีขาวนวลราวท้องปลาหิมะเริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งพระราชวังหวีถูกปกคลุมด้วยอพอลสีเงินท่ามกลางสีขาวโคลนสุดลูกหลู่ลูกตามีสีแดงชาติจุดหนึ่งที่ดูโดดเด่นสะดุดตาเป็นพิเศษลมพัดพาหิมะเข้าจู่จมนำพาความหนาวเหน็บเสียษแทงเข้าถึงกระดูกณนะตำหนักต้าซิงเร็วเข้ามือเท้าให้มันคล่องแคล่วหน่อย ทันทีน้อยหลายสิบคนวิ่งวุ่นไปมาเสียงของหลีจงดังขึ้นเป็นระยะชูหลิงที่นั่งอยู่บนพระแท่นบรรทมรู้สึกปวดหัวตุบๆร่างกายและจิตใจไม่สู้ดีนักเมื่อคืนชูหลิงวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองทั้งคาดคะเนและไตรตรองอย่างหนักเดิมทีก็เข้านอนดึกมากอยู่แล้วพอฟ้าเริ่มสางก็ถูกคนปลุกให้ตื่นด้วยเสียงอึทึกเช่นนี้จะให้รู้สึกดีได้อย่างไรแม้จะรำคาญใจแต่เขาก็ต้องอดทน ในสถานการณ์เช่นนี้เขาถูกระแวดระวังถูกจับตามองไม่มีอิสระแม้แต่น้อยต่อให้ปล่อยให้เขานอนต่อเขาก็คงนอนหลับไม่สนิทใจเพียงแต่ชูหลิงไม่รู้เลยว่าพระตัวเขาเองเมื่อคืนนี้จึงเกิดเรื่องราวขึ้นมากมายแม้แต่สถานการณ์บางอย่างก็เริ่มได้รับผลกระทบอย่างเงียบเชียบนับตั้งแต่ชูหลิงกลายเป็นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์หลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปราชสมัยหยงชางอันสรรั้นได้กลายเป็นอดีตและต้าอาวี๋กำลังเอ็นเอียงไปสู่ทิศทางใหม่ คนเหล่านั้นต่อให้มีความสามารถเทียงใดายามีชีวิตอยู่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆมากมายแต่เมื่อตายไปแล้วหลายเรื่องก็ไม่อาจควบคุมได้อีกเพราะเรื่องราวบนโลกใบนี้ถูกบงการโดยคนที่ยังอยู่หาใช่คนที่ตายไปแล้วไม่ยามใดแล้วทุนจั ก, กรพัฒน์ผู้สื่อพระราชะสันติวงศ์เริ่มเข้าสู่ยาเหมาแล้วพยะค่ะเมื่อได้ยินคําถามของชูหลิงหลี่จงก็ก้มหน้าวิ่งเข้ามาหาเอาอีกแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นหลี่จงมุมปากของชูหลิงยกขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าในตำหนักบรรทมยังมีคนอื่นอยู่เขาจึงกลับมาทำสีหน้าปกติขณะที่กำลังจะลุกขึ้นจากพระแท่นขันที่น้อยหลายคนก็ก้มหน้าเดินเข้ามาคนหนึ่งเก็บผ้าห่มไหมคนหนึ่งถือฉลองพระบาทคนหนึ่งเข้ามาประคองชูหลิงทุกคนต่างมีหน้าที่ของตนการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเช่นนี้ทำให้ชูหลิงรู้สึกทอดถอนใจในส่วนลึกชีวิตจักรพรรดิที่แสนชั่วร้ายนี้ก็ไม่เลวเหมือนกัน นี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ชูหลิงใช้ปลอบใจตัวเองได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาเข้าใจอย่างหนึ่งว่าบททดสอบเมื่อวานนี้เขาคงผ่านมันมาได้แล้วอย่างไรก็ตามเขาคือจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าอวีรอจนกว่าพิธีบรมราชาพิเศษจะจัดขึ้นเขาจะกลายเป็นประมุขคนใหม่ที่แท้จริงของต้าอวีในฐานะจักรพรรดิผู้กุมพระราชาอำนาจและตัดสินใจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในใต้ล่านี้จะมีใครกล้ามาทดสอบเขาอีกต่อให้เป็นสามโฮก็ไม่ได้ ชูหลิงรู้ดีว่าเส้นทางสายจักรพรรดิของเขายังมีระยะทางอีกยาวไกลบนเส้นทางที่ถูกกาหนดไว้แล้วว่าต้องครุกคลาและเต็มไปด้วยความเสี่ยงภัยที่ซ่อนเร้นจะมีเรื่องราวและผู้คนมากมายรอคอยเขาอยู่จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ต้องเสด็จไปยังตำหนักโซ่หงพยะค่ะในขณะที่หลี่จมกําลังกล่าวพระกระเสาให้ชูหลิงเขาก็เอ่ยขึ้นเบาๆชูหลิงรู้ดีว่านี่คือกำหนดการของเขาในวันนี้เขาต้องไปไว้อะไรยแด่ต้าสิงห้องตี้แห่งต้าอวีในฐานะจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ ตามราชประเพณีของอวี๋เมื่อใต้สิงห้องต้เสด็จสวรรคตจะต้องตั้งพระศพไว้ที่ตำหนักต้าสิงเป็นเวลาหลายวันจากนั้นภายใต้การนำของจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์และเหล่าขุนนางบุญบูจึงจะเคลื่อนพระศพไปตั้งไว้ที่ตำหนักโซ่หงรอจนกว่าสุสานหลวงจะซ่อมแซมเรียบร้อยกรมพิธีการจึงจะเลือกวันเวลาที่เป็นมงคลเพื่อเคลื่อนลงศพหลวงออกไปฝังเมื่อครั้งจักรพรรดิเทจูเก่าและจักรพรรดิเวินเทจงสเสด็จสวรรคตก็ปฏิบัติตามขั้นตอนจารรีบประเพณีนี้แต่พอมาถึงราชสมัยของต้าสิงห้องต้กกกฎเกกเฑ์ลปี่นไปมาก จักรพรรดิหยงชางอยู่ในราชสมบัติเพียงช่วงสั้นๆแม้แต่ชัยภูมิสำหรับสุสานหลวงก็ยังเลือกไม่เสร็จสิ้นไม่มีใครคาดคิดว่าจักรพรรดิหยงชางจะเสด็จสวรรคตดังนั้นหลายเรื่องจึงวุ่นวายไปหมดลงศพลวงของต้าสิงฮ่องตี้ตั้งอยู่ที่ตำหนักต้าสิงไม่ควรเกินกำหนดเวลาที่ระบุไว้แต่ในตอนนั้นจักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์แห่งต้าอวียังไม่ได้ถูกเลือกอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในขณะที่หลายคนกําลังรอคอยข่าวสารอย่างกระวนกระวายลงศพหลวงของต้าสิงห้องตีจึงถูกเคลื่อนย้ายไปยังตําหนักโซ่หวงตามราชอง์การที่ออกโดยสามตำหนักฝ่ายในตําหนักโซ่หวงคือตําหนักที่พักพระศพของต้าสิงห้องตี้ก่อนที่สุสานหลวงจะสร้างเสร็จลงศพหลวงจะต้องพักอยู่ที่นี่จักรพัฒน์ผู้สืบราชสันติวงศ์ที่ถูกเลือกมาหลังจากรับราชองค์การขึ้นครองราชแล้วจะต้องไปเส้นไหว้ที่ตําหนักพักพระศพตามกําหนดเวลาจนกว่าลงศพหลวงจะถูกเคลื่อนย้ายไปฝังยังสุสานหลวงและปิดสุสานเรื่องราวถึงจะลดความยุ่งยากลง แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้ชูหลิงไม่จําเป็นต้องกังวลให้เหนื่อยแรงย่อมมีคนข้างกายคอยเตือนพวกเขาบอกให้ทําสิ่งใดเขาก็แค่ทําตามที่พวกเขาบอกก็พอทุนจั ก, กรพัฒน์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์กรมหัตเหล็กส่งตอดีกาจากกรมจงซูพญาฆะในขณะที่ชูหลิงกางแขนออกขันที่น้อยหลายคนก็วุ่นวายกับการสวมฉลองพระองค์ุ่นฝูให้เขาชายคนหนึ่งทูดีกาเดินก้มหน้าเข้ามาในตำหนักพร้อมกับประสานมือคาระวะอย่างนอบน้อมช่างร้อนใจเสียจริง ลีจงทีประนิบัติอยู่ข้างๆเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายคนนั้นพูดคิ้วก็ขมวดเข้าหากันเล็กน้อยหากเขาเดาไม่ผิดดีกาฉบับนั้นควรจะเป็นดีกาขอพระราชทานพระนามเฉลิมพระเกียรติให้แก่สามโฮส่งมาเถิดชูหลิงมองไปยังชายผู้นั้นพยะค่ะชายผู้นั้นรับคำจากนั้นก็เตรียมเดินเข้ามาหาชูหลิงแต่เดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ถูกร่างหนึ่งขวางไว้ทาให้เขาต้องขมวดคิว ทว่าในพริปตาที่ไงหน้าขึ้นเห็นว่าเป็นหลีจงชายผู้นั้นก็รีบก้มหน้าลงทันทีหลี่จงรับดีกามาจากมือของชายผู้นั้นจากนั้นก็หันกลับมาเดินไปหาชูหลิงเมื่อถึงเบื้องพระพักเขาก็ประคองดีกาขึ้นด้วยสองมืออย่างนอบน้อมดีกาขอพระราชทานพระนามเฉลิมพระเกียรติงั้นหรือชูหลิงรับดีกาฉบับนั้นมาหลังจากเปิดออกกว่าสายตาดูครู่หนึ่งก็มองไปยังชายผู้นั้นแล้วเอ่ยว่า เรายังไม่ได้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษตามกฎแล้วตราประทับยกยังไม่อาจเปิดใช้งานได้กรมจงซูร่วมกันถวายดีการในเวลานี้มีเจตนาเช่นไรกันแน่มาแล้วสินะชูหลิงรู้ดีว่าตำแหน่งจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ของเขาหากพูดให้ดูดีก็คือสั ญ, ญลักษณ์ที่เป็นมงคลหากพูดทหแย่ก็คือหุ่นเชิดเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ตำหน่งต้าซิงวันนี้ต้องไปตำแหน่งโซ่หงตามราชประเพณีแต่ยังไม่ทันได้ไปการอย่างเชิงจากกรมจงซูก็มาถึงแล้วช่างมีเจตนาที่ยากจะอย่างถึงจริงๆ ชูหลิงรู้ดีว่ากรมจงซูคือหนึ่งในศูนย์กลางอำนาจของต้าอาวีมีหน้าที่ตัดสินใจในโยบายอัคาราเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกรมจงซูชิ่งกัวกงสวี่ชูคือบิดาของหวงเทฮาองปัจจุบันส่วนอัคาราเสนาบดีฝ่ายขวาหวางรุ่ยคือบิดาของฮองเฮาองคปัจจุบันการที่กรมจงซู ร, ร่วมกันถวายดีกาหากทั้งสองคนไม่เห็นพ้องต้องกันย่อมยากที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นนี่คือการพุ่งเป้าไปที่เทห่วงเทฮาวนั้นหรือ อย่าได้มองว่าในดีกาขอพระราชทานพระนามเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้พระนามของไทหวงเทเฮานั้นดูดีที่สุดแต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องนี้เทหวงเทเฮาทรงทราบล่วงหน้าหรือไม่นั่นต่างหากคือหัวใจสําคัญหากไม่ทราบแล้วชูหลิงบุ่มบามตัดสินใจลงไปนั่นย่อมเป็นการล่วงเกินฝ่ายไทหวงเทเฮาโดยไม่รู้ตัวเพราะในเรื่องนี้ไม่มีคนของฝ่ายไทหวงเทเฮาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่หากทรงทราบชูหลิงก็ยิ่งไม่อาจตัดสินใจได้เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การร่วมมือกันอย่างเชิงของทั้งสามพระองค์ ในยามที่ยังแยกแย้มมตรศัต ร, ตรูไม่ได้สถานการณ์ยังคลุมเครือการกระทาที่บุ่มบ่ามเกินไปจะทำให้ตนเองตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรื่องนี้เรารับรู้แล้วส่งไปยังตำหนักช้างเลอเอิอเถิดเมื่อเห็นชายผู้นั้นไม่พูดอะไรหลีจงก็ยังคงก้มหน้าอยู่ชูหลิงนิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะปิดดีกาฉบับนั้นลงแล้วส่งให้หลีจงพร้อมกล่าวว่าให้ไทหวงไทเฮาทรงเป็นผู้ตัดสิน นี่ยังไม่ทันได้เข้าพิธีบรมราชาพิเศษเลยเรื่องราวก็เริ่มตามมาแล้วชูหลิงย่อมรู้ดีว่าเบื้องหลังการถวายดีกาครั้งนี้มีการอย่งเชิงซ่อนอยู่มากมายซึ่งรวมถึงการที่เขาจะเลือกเอ็เอียงไปทางฝ่ายใดด้วยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แท้จริงแล้วกลับซ่อนความในไว้ลึกซึ้งอยากแย่งชิงก็เชิญเถิดอยากสู้กันก็เชิญตามสบาย เมื่อมองหลี่จงส่งดีกาคืนให้ชายผู้นั้นสีหน้าของชูหลิงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทว่าในใจกลับรอบกล่าวว่าพวกเจ้าอยากอย่างเชิงข้าเช่นนั้นเหตุใดายข้าจะอย่างเชิงพวกเจ้าบ้างไม่ได้การอย่างเชิงทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากดีกาขอพระราชทานพระนามเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้ข้าอยากจะเห็นนักว่าหากข้าเลือเอ็นเอียงไปทางเทห่วงทเทหาวจริงๆพวกเจ้าแต่ละคนรวมถึงฝ่ายของไทห่วงทเทหาวเองจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เมื่อคิดได้ดังนี้ชูหลิงก็เริ่มรู้สึกคาดหวังกับการเสด็จไปยังตําหนักโซ่ห่วงที่กําลังจะเกิดขึ้นเสียแล้วชูหลิงรู้ดีว่าการเสด็จไปยังตําหนักโซ่ห่งครั้งนี้จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นอีกแน่นอน